สมาธิไม่สังกัดศาสนาหลวงพ่อเคยทดสอบมาทุกอย่างทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องเกี่ยวข้องกับคนอื่นที่วัดวะภูกแก้วบนภูเขาเป็นสถานที่อบรมสมาธิเด็กปีหนึ่งเรารับอบรมนักเรียนไม่น้อยกว่าจํานวนหมื่นคนตลอดปีเดือนหนึ่งจะมีเด็กขึ้นไปรับอบรมสมาธิ เดือนละส4สี่ครั้งแต่ละครั้งก็ส0 0ร้อยคนขึ้นไปบางครั้งก็มีเด็กต่างศาสนาไปร่วมด้วยเด็กศาสนาคริสเขาถูกสอนมาให้กราบให้ไหว้ให้ไหว้แต่พระเจ้าของเขาองค์เดียวทีเนี้ยพอเด็กมันไปแล้วพอมันเข้าไปในศาลาของเรามันเห็นพระพุทธรูปมันก็ไม่ไหว้มันก็นั่งอยู่เฉย อาจารย์ผู้นำเขาบอกว่าพระของใครอยู่ในหัวใจของแต่ละบุคคลถ้าใครมีพระอยู่ในใจกราบลงตรงไหนถูกพระของตัวเองที่นั่นเด็กก็กราบหมดทุกคนเวลานั่งสมาธิชาวพุทธภาวนาพุทโธชาวคริสต์ภาวนาเยซูพอเขาสั่งหยุด เด็กชาวคริสต์มาถามชาวพุทธว่าเธอภาวนาพุโทโธแล้วจิตของเธอเป็นยังไงชาวพุทธที่เขาได้สมาธิเขาก็บอกว่าภาวนาพุโทโธไปมันมีอาการเบลอ ER ๆเค ล, ER ลิมล้มๆนิดหน่อยแต่แล้วจิตมันวูบลงไปนิ่งแล้วมันสว่างขึ้นมามีปิติมีความสุขของเธอละ่ะเป็นยังไงของฉันก็เป็นเหมือนกันเราคนละศาสนาพระเจ้าคนละองค์ เมื่อมาปฏิบัติสมาธิทำไมมันเป็นเหมือนกันละ่ะเด็กมันก็คุยกันแล้วก็ไปถามอาจารย์อาจารย์เขาก็ตอบว่าสมาธิมีหนึ่งเดียวเป็นสัจธรรมมีหนึ่งเดียวใครภาวนาคำไหนอย่างไรศัสดาใดเมื่อทําสมาธิได้มันมีแนวโน้มเป็นอย่างเดียวกันหมดแต่อุบายวิธีอาจจะแตกต่างกัน แต่เมื่อจิตเป็นสมาธิมีอย่างเดียวเป็นอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีแตกต่างทีเนี้ยเด็กมันก็เข้าใจบางคนมันก็สงสัยเมื่อจิตสงบนิ่งรู้ตื่นเบิกบานเราจะไม่เผลอเปลี่ยนศาสนาอย่างไม่รู้ตัวหรอสมาธิไม่ได้สังกัดในลัทธิและศาสนาใดพุทธคริสต์อิสลามปฏิบัติได้ทั้งนั้น ความแตกต่างของศาสนาอยู่ที่บทบัญญัติของพระเจ้าแต่และองค์ศา ส, สนาพุทธมีศีลห้าข้อเป็นบทบัญญัติให้ปฏิบัติทั่วไปศา ส, สนาคริสมีบัญญัติสิบประการศา ส, สนาอิสลามบัญญัติของเขาจะมีเท่าไหร่ไม่ทราบแต่เขาก็ต้องมีกฎเกณฑ์ของเขาศา ส, สนาอิสลามเนี่ยหัวใจของศาสนาเขาให้จงรักพักดีต่อพระเจ้าของเขา เขาสอนให้เอาพระเป็นเจ้าเป็นศูนย์รวมจิตให้เชื่อพระเป็นเจ้าองค์เดียวเขาปลูกฝังความเชื่อมั่นลงไปอย่างนี้